ทั้มมาสู้กันฟังมีผู้ฟังมีผู้พูดพู ด, พดสิ่งที่พูดเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ไม่ใช่พูดให้คิดไม่ใช่พูดให้จำพูดเราทำทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระพรภาคเจ้าด้วยสติกำลัง กำลังของสติเป็นการกระทั่มันสูงสุดกำลังของร่างกายก็ับประกอบไปด้วยมีรูปแบบการเดินจงกรมการช่างจังหวะกำลังของสติก็พร้อมไปกับกายทั้งสองส่วนให้สติมันมากให้มันคุ้นเคยให้มันได้รู้ได้เห็นอะไรต่างๆ โดยเพาะการเจริญสติเนี่ยแบบการเคลื่อนไหวแบบขยันลูกตัวเนี่ยมันก็เข้าสนามลเลยละปรากฏว่าความคิดปรก็ทลักเข้ามาความง่วงเผอเผอนอนกอลักเข้ามาเวทนาก็ทลักเข้ามาสติเข้าคอย อ, อยู่ในสนามเลย เป็นการลงสนามเป็นการลงเวทีเลยละ่ะซ้อมกันไปเลยรู้สึกลู้สึกเอาใดที่มันหลงลก็รู้เท่ารู้ทันหลงไปแล้วก็แก้ได้ <c oughs> ไม่ใช่หลงเลยไปจนฟรีสุดความหลงเอาไปฟรีความชิดเอาไปฟรีความ อะไรต่างๆอย่าให้มันปีนโตตอบทักท้วงมันทั้งผิดทั้งถูกไม่เป็นไรทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ไม่เป็นไรอะไรก็ได้สำหรับสติอะไรก็ได้ไม่ปฏิเสธล้ากฎการ์ต่างๆมันจะเกิดขึ้นยังไงไม่ไม่กลัวแต่ว่าเราจะต้องลู้มันไม่ปรุงไม่แต่งไปกับมัน เดินยาดอยูกับความรู้สึกตัวความง่วงง่ว ง, องเอาอนอนก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปแก้มันละ่ะเอาง่วงล ง, งไปแล้วก็จะลูกของเราไปเรื่อยๆหาวิธีลอืนอ่นไม่ได้เอาการสร้างเจ้าวะไปลูกศึกในเวลามันง่วงมันเอาไม่ได้หาทางอืน่นอย่ไปเอาผิดอยาไปเอาถูก กับการกระทําของเรากับอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจอยาไปเอาผิดเอาทุกแล้วก็จะรูปของเราไปเรื่อยๆนั่นแหะรูปที่กายไม่ได้กับรูปที่เดินรูปที่เดินไม่ได้กับรูปอื่นหายใจบั่งพิบตามบ้างเออออกเอกไปทางใหม่กับไม่ควดน้ำล้างหน้า <c oughs> ทำอะไรไปโน่นดูโจนไหมบาทงทีมันความคิดหรืออารมณ์มันเข้าใ น, นออกไปนอกออกไปนอกกับกุ้งไปไกลเกินไปถึงกรุงเทพถึงเชียงใหม่ถึงที่ไหนไปโน่นสิบปียี่สิบปีมันยังไปท่องเที่ยวอยู่ออมันออกไปนอกแล้วก็กลับมาซะมากําหนดมือกายเคลื่อนไหวแต่มันรู้อะไรมันเข้าไปในกันไปจนแน่นหน้าอกจน เครียมองไปท่องป้าว่างมองโดยยอดไม้ต้นไม้มองโดเป็นกลางวันมองโดเป็นความชัดเจนในปัจจุบันจะทำอะไรให้กลุ่มเครือทำไมมันชัดเจนให้มันรู้สึกน่ะความรู้สึกล่ะเป็นสิ่งที่จะต้องยืนจยัดให้ได้ ลองรู้จุดไปรูมากๆรูน้น้อยๆก็ไม่เป็นไรอ่าแต่อย่าให้มันหลงไปนานเกินไป <c oughs> ถ้าหลงเราก็ลู้ไม่เป็นไรถ้าหลงรหรือความคิดเนี่ยความคิดจไม่เป็นไรหรอกไม่ผิดไม่ถูกหรอกต่อย่าไปเข้าไปในความคิดเวลาใดที่มันหลงคิดไปสั้รู้จุดซะ ถ้าไม่รู้มันก็จะไปไกลเกินไปความเพียรคือคือขยันรู้นี่แหละคือความเพียรโยตะโยจะวิชิตังชีเวกุตสิโตหินิวิริโยเอกาหังชีวิตังเฉยโยอัปโตพยัปปยัง่งก็ได้มีความเกลียดข้านม่ความเพียรต่ำในชีวิตสิร้อปีไม่ไปเสด็จมันกับเราสวดมุขี้นี่ นอยู่ชีวิตเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าเพราะมีความเพียรมั่นคงคือมีความรู้สึกตัวเนี่ยเห็นอาการเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั่นทำให้แกมแจ้งให้งอนแง น, น, นแขนวนแขวนควรพบควรหลักการเท่า น, นั้นไว้ให้รู้สึกนี่แล้วให้รู้สึกนี่แหละต่างตัวรู้ไปเรลยๆสนุกไปกับความรู้สึกบางทีสนุกไปกับความหลงเพราะมันเห็นมันหลง หัวเราะยะ่ความหลงบ่างหัวเราย่อความเครียดบ่างโดยเฉพาะความรู้สึกตัวหนะ่ยไปไปสนุกกับอะไรก็ได้นะมันไม่เข้าไปสุกุนไม่เข้าไปทุกข์สนุกดูมันสนุกเห็นมันเห็นหลายขัง้งหลายคราวอาจจะเป็นสติปัญญาเลย เห็นครั้งหนึ่งมาจะหลอกได้แต่เห็นหลายๆครั้งก็หลอกไม่ได้คนที่สุนมันก็ได้หลักของการเฉลยในพ้อเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยอาจาพูดแบบความรู้สึกตัวมันก็บอกว่ามันมีแต่อาการอาการเท่านั้นแหละเกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ย อาการของกายของใจถ้า ต, ตอบอย่างอื่นมันมากเกินไปถ้า ต, ตอบว่าเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็มากถ้ต อ, ตอบว่าอาการเนี่ยก็มันก็จบแล้วแต่ความร้อนค ว, ค, วความหนาวความปวดความมั่วยความคิดวิตกกังวลสศรหมองมก็เป็นอาการของกายของใจเท่านั้นแหะแล้วก็เห็นเอาเห็นเอาเห็นเอาความเห็นตัวเนี่ยมันชัดเจน ถ้าเป็นการทำบุญ<ม>ก็ทำได้ทันทีละบาปได้ทันที้าเป็นการละ บ, บาปก็ละได้ทันทีถ้าเป็นการทำดีก็ทำได้ทันทีภาวะที่เห็นเนี่ยภาวะที่เห็นมันก็ละบาปก็ทำดีแหะเราความชื่อทำความดนะีถ้าทำความดีถ้าเห็นมันก็บริสุทธิ์มันไม่เข้าไปเป็น น้อยเข้าไปเป็นมันก็บริสุทธิ์ไม่ปเปื้อนเกับเสียงใดเห็นเป็นอาการของกายเห็นเป็นอาการของจิตใจมันไม่ท่วนของง่วงเหงาหอนอนก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็ดูไปดูมามันก็น้อยลงน้อยลงก็ดูไม่มาก แต่จะงอกไปดูธนณีก็รู้แล้วเขาเห็นบ่อยๆนล้ก็ผู้ที่ในการศึกษาเทคโนโ ล, โลยีสถาปนิกต่างๆเขาดูแบบแบบก่อสร้างเขาดูแป๊บาก็อ่านได้ถลุงย่อยออกเป็นชิ้นเป็นส่วนไปเลยนล้ก็เขาก็ชำนาญจนถึงกับว่า ไม่ใช่เวลาก่อสร้างเท่านั้นวันเท่านี้วันห้าแรงก่อสร้างจะหมดไปเท่านันได้กาไรเท่านี้แล้วก็จำนานเขาก็รู้ได้หมงคนหมอเรานี่ยพอจับท่องท่นหนุมแล้วเราก็รู้ว่าเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบใส้สุดใส้ตันก็มั่นใจไปเผาเองก็ดูปั๊บก็รู้ทันที ไปเผาเองตัดตัวเองเรานั่งอยู่เฉยๆไม่ก็ไม่มีความรู้มันก็ไม่รู้ใครไม่ความรู้เป็นนายแพทย์เราก็ไม่รู้เป็นนักวิทยาศาสตร์เราก็ไม่รู้เป็นครูก็ไม่รู้แต่เวลาใดที่มันเกิดอะไรขึ้นมาเราก็รู้ปับ๊บออกกันเองใช่ฝีมือใช่สติปัญญาไปเลยผู้มีส ต, ติก็เหมือนกัน อะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่ยดูออกแกมแจ้งไม่มีอะไรปิดบังอำพรางได้แล้วอันชื่อว่ากายชื่อว่าใจเราถ้ามีสตินะถ้าหลงเราดูไม่ออกสมาวยังไงก็ดูออกฉเฉลยได้ทั้งหมดเพราะมันเห็นมาแล้วเห็นมานานแล้วอันเก่าความโกรธก็อันเก่าความทุกข์ก็อันเก่า ความร้อนความหนาวก็อันเก่าความคิดก็อันเก่าความมองเอห็นอนอนก็อันเก่าผมเห็นมามากแล้วเห็นมาแล้วสามสิบกว่าปีมันก็อันเก่าแล้วนะมันไม่เป็นอื่นไปหรอกไม่เอใจไม่ไม่ได้เอใจถ้าจะตอบว่าเออรู้แล้วเออเป็นเช่นนั้นเอง สิ่งกันสิ่งก็เอาไว้ตรงนั้นละความไม่เที่ยงเ่าทิ่งอยู่ในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็วางอยู่ในความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนก็วางอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนนั่นเราคือลอยบาบลอยแล้ววางแล้วไม่ข้องไม่ติดเอาไว้ข้างหลังแล้วนักก็เราเดินแวกป่าง เราแหวกป่าเราแหวกป่าข้าวแล้วก็เราเดินผ่านป่าข้าวกำลังเป็นลวงแล้วก็แหวกว่าเอาขึ้นข้างหลังไปเรื่อยเอาขึ้นข้างหลังไปเรื่อยอะไรอไรเอาไว้ข้างหลังผ่านไปเรื่อยเรืยลองดูเอาความง่วงไว้ข้างหลังเอาความชิดพุ่งซ่านไวไ้ไวข้างหลังอะไรก็ตามไว้ข้างหลัง อย่าให้มันข้างหน้าแต่ข้างหน้าคือว่าทาไมจึงเป็นอย่างนี้ไมหน้าจะเป็นอย่างนี้เราทําได้เราทําทไม่ได้เนี่ยมันอยู่ข้างหน้าได้เราเห็นนะเออเป็นเช่นนั้นเองอก็เป็นอย่างนั้นรู้แล้วพอรู้ลแล้วเออเป็นอย่างนั้นก็คืนหลังก็ไว้ข้างหลังแ ล, แล้วก็ผ่านแล้ว ักสนาพันเนี่ยนี่เป็นเรี่องว่ามั่งเลยนะมั่ควิถีของชีวิตเราถ้าเป็นจราจรก็เป็นจราจรที่ไม่ติดจราจรชีวิตนะไม่ใช่จราจรในกรุงเทพจราจรในชีวิตของเราไม่ติดนั่นอจะเป็นอย่างนั้นทําไมจึงทำอย่างนี้เนี่ยจะว่าติดแล้วอืมดูแล้วจราจรไม่ติด ชีวิตเราเฉลยได้ทั้งหมดจะดวกจะเป็นทางของคีวิตก็เป็นฟรีเวชานได้ตลอดทุกโอกาสไม่จนเป็นชีวิตที่ไม่จนเป็นชีวิตที่ไม่เป็นหมั น, นถ้าเราฝึกมีสติมีความรู้สึกความลึกได้ในโลกนี่จะไม่อะไรนะโอกาสโลกสลองขานโลก ถ้าเรามาลู้ตัวเองเมันก็เท่ากับเรารู้โลกโลกันควางสอกยาวานาคืบแต่เรารู้ตรงนี้คอยกระทบกระเทือนไปโลกภายนอกด้วยล้วเราก็ ร, รักษาตัวเรารูแลตัวเรา เราทุกคนมาตั้งต้นจากตรงนี้แล้วก็ับเขาเกิดความสงบร่มเย็นไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบีย น, นคนอื่นเสียงอื่นวัตถุอื่นนี่การเจริญสติเนี่ยมันเป็นโลกกบานที่คุ้มครองปลอดภัย ไม่มีภัยชีวิตที่ไม่มีภัยเราเรียกว่าอริยะชีวิตที่ไปจากข้าศึกไม่มีข้าศึกเ ร, เรียกว่าอริยะอริยเจา้าเป็นชีวิตที่ไม่มีข้าศึกไม่ได้ลบ ก, กับเชิงใด มีแต่เห็นปฏิเสธภาวะที่เห็นไม่ได้เพรามันมีปรากฏการในตามีหูมีจมูกมีลื่นมีกายมีใจมีหลูมมีรสมีกลิ่นมีเสียงปฏิเสธภาวะเห็นไม่ได้ปฏิเสธการเป็นได้เห็นนี่ไม่ไม่ปฏิเสธไม่ได้เพราะโลกโอกาสโลก ไปเดินว่าอากาศผู้คนป่าหม้อยรกรถฉินเสียงร้อนหนาวหิวกับหายนเนี่ยมันเป็นโลกโลกที่อยู่อาศัยแต่ใใโลกคือกายของเราเนี่ยมหาโตธโลูกมีธาตุไฟในน้าไฟลมมันเป็นโลกอาศัยมันกับ่วงแพรมันเวลามันก็มีผลกระทบต่อโลกกันนี่ ปฏิเสธการเห็นไม่ได้การเห็นนี่ครับพ้องว่าเห็นแจ้งประมาณอันเดียวทนันแต่ที่นี่เราปฏิเสธการเป็นเข้าไปเป็นได้เราเลยพูดว่าเห็นเห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยเป็นกราจะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ทันสมัยแล้วก็ไม่ล่าสมัยที่สุดได้เป็นปัจจตังเนีย่ยความคล่องตัวของชีวิตเราก็อยู่ตรงนี้แหละเกีย่ยวข้องกับสิ่งที่เห็นได้อย่างถูกต้องบางคนเกีย่ยวข้องกับสิ่งที่เห็นไม่เป็นเห็นเห็นความง่วงเห็นความง่วงออกมาเป็นสุขออกมาเป็นทุกข์ เห็นความโกรธเอามาเป็นส huh e. ุขเอามาเป็นทุกข์เห็นอะไรก็ตามเอามาเป็นถ้าเห็นตัวเนี่ยกลายเป็นปัญญาเห็นความโกรธก็เป็นปัญญาเห็นความง่วงเอาหอนอนเป็นปัญญาเห็นความทุกข์ก็เป็นปัญญามันมีแต่ปัญญา แต่ถ้าเราไม่มีสติจะหลงนะพัจะเกิดความหลงความหลงมันมาง่ายมันไม่แนวร่วมมันไม่ลดนิยมเห็นลดจ้ะน่ะโลกมันเต็มไปด้วยรดชาตาาิพูดว่าโลกนะพูดว่ารดซะรดชาติในรดชาติเหลือเกินตา ม, ม, ม, นมันก็มีรดหูมันก็มีรด สมองลิน่นกายใจก็มีรดใจมันก็ด่วนเอาแล้วเกินด่วนรับเอาเป็นรสทุกแล้วก็ต่อไปให้อะไรเยแยไปจนโศกปริเทวทุกข์พอมนตุปัสยาติเกิดดับเกิดดับอาการเกิดดับทีหยิดลอยที่ไม่รู้ แต่ถ้าเรารู้สึกเนี่ยลดมันก็ไม่มีเห็นแต่ไม่แต่เห็นแลความรู้สึกนะไม่มีลดไม่เข้าถึงรดโลกัวโลกน่ยก็รู้แจ้งทะลุปุ่งต้องรู้สึกตัวไม่เข้าไปเป็นกับสิ่งใดเราจึงมาสร้างตัวนี้ไปขอทำไปนั่นละ วันแล้ววันเล่าเดินจงกรมสั่งชวงวะงักบางทีก็อะไรก็บางวันก็เป็นอย่างหนึ่งวันวันก็เป็นอย่างหนึ่งอย่าปฏิเสธบางทีเอาไปทําหาเมื่อวานยังดีกว่านี้วันนี้ทําไมไม่ดีก็ อ, อย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปสมมุติเป็นหยาบว่าดีว่าไม่ดี นี่จะอืมอืมก็ไปเลยมันนี่เป็นยังไงมันนี่ไม่ไหวหลวงพ่อหนูเครียดคิดอะไรมากเหลือเกินเครียดไม่ใช่ตอบนักกรรมาฐานเขาไม่พูดอย่างนั้นตอบไหมมันนี่หนูเห็นมันเครียด หนูเห็นมันชิดมากเอออย่างนี้นี่นะักกรรมฐานก็ตอบอย่างนี้ตอบตามสภาวธรรมตอบจย่เป็นรุ่นเป็นก้อนตอบเชิงชั้นเชิงตอบมีชั้นเชิงมีชยภูมิมันนี่หนูเห็นมันเครียดเออมีทางพบทางถ้าเป็นย่อยก็ย่อยออกได้วันนี่หนูเครียดนี่ย่อยไม่ได้เป็นรุ่นเป็นก้อนไปเลย แต่วันนี้หนูเห็นมันเครียดอืมย่างนี้ใช่ไละก็ออกมาเป็นคำํำพูดจากความรู้สึกลึกๆจากสภาวะธรรมถ้าว่าเป็นผู้เครียดวันนี้หนูเครียดเนี่ยเรียกว่าพบผูมถ้าว่าวันนี้หนูเห็นมันเครียดเนี่ยทะลุปรมัาตุสภาวะธรรม ถ้านูเครียดเนี่เป็นสมุติบัญญัติเป็นดุนเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนถ้าเห็นมันเครียดนี่เป็นปรมาถะทะลุเห็นทุกข์เป็นปรมัาถะเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้สุขเป็นสมมุตติบัญญัติเป็นผู้ง่วงเป็นสมมุติบัญญัติถ้าเห็นมันง่วงอนี่ยเป็นปรมาถะ ภาวะที่เห็นภาวะที่เห็นความง่วงความง่วงเป็นนั่นน่ะการเห็นความง่วงเป็นนั่นเป็นผู้ง่วงเป็นนั่นน่ะตรงนี้ <c oughs> สติต้องให้ชัดเจนแล้วก็าหาัดให้ได้วัดจุดนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกเรา<ม>เห็นกายแล้วเห็นอีกชั้นต่อไปกายนี่สจกว่ากาย ไม่ใช่สัตว์ปุกลโตตนรเขาโน่นทะลุปไปเลยถึงปรมาเลยเห็นเวทนาโอ้ยมันนปวดขาลงพ่ออ่าไม่ใช่มั น, นเหนื่อยหมดเลยงเต็มที่ไม่ใช่เห็นเวทนาเวทนานี่ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุกลโตนรอเขาโนทะลุทลวงไปถึงปรมาทัสภาวะธรรม ในธนาทำห้เกิดปัญญาทะลุเห็นกายเห็นจิตความคิดผ่งสารติดไปย่อมอารมณ์เป็นกุศล อ, อ, อกุศลจนทะลุทะลวงไปโ น, น่นนี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่ความดับทุกข์ดับได้แล้วคนแล้วแล้วเราเห็นงู การเห็นงูเฉยๆไม่พอการหนีออกไปหนีเป็นแล้วก็หนีพ้นด้วยเห็นความมั่งเรายังเป็นทุกข์กับความมั่งเห็นความคิดยังเป็นทุกข์กับความคิดยังไองูมากัดได้เอามาเป็นสุขกอมาเป็นทุกข์ใช่ไหมได้เห็นแล้วตรงหนีเป็นออกเป็น เลยบอกว่าเป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นไปแล้วแล้วก็เมื่อไม่เป็นผู้เป็นก็พ้นแล้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจสี่ระดับเห็ น, น <ะ S 2> เห็นแล้วนี้ออกนี้แล้วพ้นได้เห็นเั็นหนึ่ง<ม>นี้กําลังเห็นนี้ออกไปนี่อันนึ่งออกไปแล้วนนแล้วก็พ้นแล้วนนนัะพ้ น, นแล้ว พ้นจากงูกัดไม่ได้แล้วแล้วก็พ้นจึงกินเป็นงูอยู่ใกล้ในเขียงตัวอยงอันนี้ไม่เป็นบางทีก็อยู่นั่นแหละที้ขาดี่กลัวอยู่นั่นแหละนี้ไม่เป็นงูก็แผลฟังพงอง น, น อ, ง อ, ย อ, ยอยู่นั่นจ้าลองอ้อยออยอยู่นั่นปัญญาหน่อยๆไปไม่เป็นเหมือนกับ กีนว น, นวลเนงูจงางอยู่สวนผักเดินเดินแบบคนไม่เสียเงียมลุกลรี่ลุกลนคนไปไหนลุกลรี่ลุกคลนงูจงางก็ตื่นแล้วเขาตื่นก็ชูคอขึ้นชูคอขึ้นท่วมหัวนะ่ะนนวลก็นั่งลงยกมือยกมือไหวงวู ยกมือไหวงูไปไม่เป็นเลยขนาดนั้นนะแต่ยกมือนั่งลองยกมือไห ing, งงวงูงูโชขดคอโด trabajo, โ ด, ดตัวนวดอลงกับปล่อยของมันไปแต่ง like, ูมันดูไล่ขนาดมันวิ่งมากัดคอตายแล้วเราก็มานลนะ่ะโอ้ยปวดขาโอ้ยร้อนโอ้ยนะ้ำไม่ต้องโอ้ย ไม่เห็นแล้วอาการตอบได้แล้วนี่เป็นอาการของกายเป็นอาการของจิตนี่โลกก็เห็นแล้วก็ไปแล้วมันพ่นไหมเวลามันทุกข์พ้นไหมนึกอยู่กับความทุกข์สองวันสาวันมันรักมันโกรธพ้นไหมไปไหมไม่ไปอยู่กับมันความมีรสชาติความโกรธก็ไ ม, ม่รสชาตินะคนโกรธเขพอใจนะ เขาพอใจพอใจที่จะโกรธม่ใครมาห้ามเขาก็ไม่ไม่หนีหรอกไม่ ไ, ด, ไ, ม ไ, ด, ไมด้ไม่ได้ไม่โกรธไม่ได้โอเคแล้วไม่โกรธก็เหมือนหมาแล้วสาวาบ้านนี่ไม่โกรธก็เหมือนหมาแล้วเขาพอใจคนโกรธพอใจมากน่าก็เห็นกองจับเป็นดอกโบกเอากงจับมาผลหัวตัวเองมองเลือดไหลออกเขาก็ยังเอาผลเลยนะเป็นทุกข์เป็นสุกอย่งนั้นยก ดดหนีรู้เนะี่ภาวะที่ดูเนะี่ยโอ้ยจะดวกที่สุดเลยก่อนที่จะดูต้องสร้างภาวะที่ดูนะมีความรู้สึกตัวเนะี่ยแหละกาลังตัวนี้ทำให้มันมาว่ากํำลังภาวะความรู้สึกตัวเนะี่ยะมันจึงเกิมีกาลังเข้าถึงภาวะที่ดูดูเราก็เห็นแล้วนะไปะห็ะนแะล้วคนไย ปฏิเสธไม่ได้อ า, อาสถานการณ์หรือ <c oughs> ปรากฏการณ์ต่างๆเราไม่ได้หนีมันดกชนหน้ามันเลยดับเครื่องชนไปเลยอะไรก็ได้แต่สังขารการทงแต่งนี่เป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์นี่หนีได้จะดวกกวาทุกข์ทุกอย่างนี่จากนี้แหละ เราก็ลงสนามตรงนี้แหละลบกันอยู่ตรงนี้แหละเอาว่วงแล้วง่วงอีกบาง BE, book, book ทีก็เบื่อบางทีก็เครียดเอ้าเอาลงไปกันลู่ลงไปมีเท่าไหร่ลวู่เท่านั้นสุขเท่าไหร่ลวู่เท่านั้นทุกเท่าใดแลวู่เท่านั้นโวดมื่เท่าไหร่ลวู่เท่านั้นง่วงเท่าไรแลวลู่เท่านั้นไม่หนีหน้าแต่เราก็ดูกันอยู่นีไม่เข้าไปเป็นกับมันไม่มีแนวร่วมกับมัน นันเขาเล่นกลแต่เรารูดทันเราไม่มีแนวร่วมจุดไม่หมดเลยล่ะแต่ลู่ไม่ทันเราก็นอนแนวร่วมโอ้ทําไมเขาจูงควยเข้าไห้ได้จุดไปบอกไอ้ตีไปเอาแป้งมาจุดกระดาษญาติใส่กระป๋องเปิดด อ, อกมามีกระป๋องแป้งเต็มไปหมดโอ้โหไม่รู้โ อ, โอถ้าเรารู่วโอ้ไอ้นี่มันทํากระป๋องสองสามชั้นนะชั้นที่หนึ่งมันเป็นแป้งชั้นที่สองมัน จุดกระดาษลงไปพอเปิดอีกทีหลังเป็นควนออกมาโอ้โลดทันไม่มีรสชาติร่วมกับเขาเลยแล้วคนไม่รู้ก็มีรสชาติแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์ความสุขความทุกข์มันเป็นรสนะรสของโลกนะนะเราต้องไม่หลงรู้สึกตัวแล้วนะพอครับพระความ<อ>